ก็สามารถที่จะติดต่อเข้าไปรับการโบรมได้โดยตรงที่วัดบุคคสรสสัมดายารามหมายเล่ขโทรศัพท์032 2 5 4 650และ253 352ต่อ220ได้เป็นประจําทุกวันของวันนี้อาตมาก็ดีๆสามารถบัญญัติมาฝักท่านบุคคลซึ่งบัระเดชพระคุณหลวงปู่มาเติมไฉศรีพระมังหลนั้น กใปัญญาให้แก่ในฐานะสถาบันในประชาธิป จ, จากจังหวัดนครราชสีมาไดรับปั บ, ปบปกันหเรื่องหน้าที่ของในรื่องสาธาชนหน้าที่เนื้อหาสาระที่จะเป็นเช่นไรขอเชิญท่านสาธาชนทัหลายจังหวัดิตามรับฟังร้องรลองกันเป็นธรรมะปัญญาในวันนี้ในฐานะอี่พวกเธอทั้งหลายจะให้เป็นครูบาอาจารย์ผู้อื่น ต่อไปในสายอารหรือจะเป็นแบบอย่างที่ดีหรือจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการฝ่ายหน้าแต่ผู้อื่นจะจะเป็นผู้นำครอบครัวทางธุรกิจผู้นำรืออาองค์านไปในสายลมและมุ่งานต่อไห้านะที่เป็นพุทธศาสตนิทสนและฐานะที่เป็นพุทธศาสตรนิทสนุนเธอพึงรู้เธอพึงธรรมะที่ควรรู้ควรรู้ แล้วก็พึ่งจะได้เลือกปฏิบัติเพื่อจะได้เลือกในทางที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงความประพฤติปฏิบัติในทางที่ความประพฤติไม่ถูกต้องในทางที่ความประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นปฏิบัติที่ถูกต้องเรียกชื่อว่าเป็นความประพฤติปฏิบัติที่เป็นบุญเป็นกุศล ซึ่งจะนำความสุขความเจริญรุ่งเรืองนำแดกชีพตนหรืมาสู่ตนและมีผลให้บุคคลอื่นผู้อยู่ใกล้เคียงเราหรือมีความสมพันญกับเรามีความร่วมเก็นที่สุดไปด้วยแต่ถ้าวาความประพฤติ amigos, ที่บัตรที่ ไ, ไม่ถูกต้องที่เป็นบาปเป็นสุดนั้น้กมนำ ความเดือมอันมีผลให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นตนเองและแก่ผู้อื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเธอพื้นเข้าใจธรรมะพื้นฐานที่พื้นเข้าใจได้ต่อไปวันนี้เราจะใช้เวลา ข, ขักหนึ่งชั่วโมงทำการ รับฟังในปรรมะบรรจัยสามารใจให้ใหใหสบรรยายปอดโปรงนะ่งและตั้งใจฟังรรยยตีนสบายเธอสามารถช่วยใจให้ดีทั้งรู้ทั้งัำใจเพื่อปฏิบรรยยัติเองและที่นั้งแน่และนับผู้อ่นสังใจนอนทุ้อื่นได้และตอบผู้อีกได้มะทั้งหมดที่องค์สรงร็ดิษมาสับพุทธเจ้าสมเด็จใต้ส่งคนส่ก มักจงคนทพบถ้ากลามโดยยอกล่าวเป็นธรรมในสามประเภทใหญ่ๆใสามปเใหญ่เข้าใจสามประเภทใหญ่นั้นประเภทใหญ่ๆประเภทหนึ่งเป็นประเภทเศสัตับดำดำนะ ทำแน่ว่ามันจึงธรรมชาติที่ดำไม่ใช่คนผิวดำเป็นธรรมชาติที่ดำหรือพระท่านเรียกอุตสลาธรรมมาคือธรรมะที่เป็นอคทิเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีเนฝ่ายหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าเป็นธรรมะของทาสมา มัแปลว่ามันผู้ขัดขวางคุณความดีขุดมันแปลว่าผู้ขัดขวางความดีซึ่งแต่เฉพาะความหมายของมานคําเดียวได้ความขุดมัน๋ดยนั้นอาจจะหมายและควรที่จะหมายถึงอย่างคือกิเลสมานอย่างกิเลสเครื่องกั้น ความดีมีอยู่ในจิตใจของมนุษย์และของสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังลุหัลกัุคนไม่บัญคีและถ้าสัตว์โลกใดกเต็มไปด้วยธรรมชาติของมา น, นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสัตว์ประเภทที่ร เ, ทเรียกว่าโอปปาติกะ คือถือกำเนิดขึ้นมาด้วยผลบาปอาภุ s o r เองบางเหล่าก็เรียกว่าเทพพระบุตรมานมีเหมือนกันนะฮะทีนี้ยังมีอีกธรรมชาติเครื่องกันคุณความดีนั้นยังมีอีกขันธมาน ขันธามานนี่มานคือโรคภัยไข้เจ็บให้เราไปประพฤติปฏิบัติทำหรือประกอบคุณความดีไม่ได้หรือได้ไม่สะดวกก็ให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนนี่ขันธามานมีอยู่ในทั่วทุกตัวคนมากน้อยตามส่วนอีกอย่างหนึ่งเรียกว่า มัจจุม น, นั่นความตายเกิดขึ้นเมื่อใดแล้วย่อมไม่มีทางที่จะกระทําคุณความดีได้ถ้าเผื่อมัจจุมาันได้บังเกิดขึ้นแล้วและผู้นั้นได้ประกอบกรรมชั่วไว้แล้วกรรมชั่วนั้น ให้ผลเป็นชนกกรรมนำให้ไปบังเกิดในทุกติภูมิ<ำ>คือภูมิที่ไม่สบายได้แก่ภูมิหรือเหล่าของเปรตสัตว์นรกอสุรกายจัตเดระฉานหรือแม้มนุษย์ที่มีความเป็นอยู่เยี่ยงนั้นีน่ทีนี้ นั่นเรื่องของมัจจุมานแต่ถ้าคนนั้นได้ประกอบคุณความดีนั้นแม้ความตายมันตรรนผลแห่งกรรมดีเป็นชนกกรรมนำให้ไปบังเกิดในสุคติภพได้แก่ภพของมนุษย์ภพของทิพย์หรือเทวโลกหรือพรหมโลกอันนี้ก็มีโอกาสประกอบ คุณความดีได้ตามส่วนตามธรรมชาติของแต่ละบัดแต่ละบุคคลนั้นต่อไปในการข้างหน้านี่มัจุมาลมีอีกอย่างหนึ่งอภิสังขารมานอภิสังขารมา น, นี่เป็นผลเกิดแต่คุณความดีด้วยเหมือนกัน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 บุคคลที่เคยประกอบทานกุศลมาดีตรงผลให้ไปบังเกิดสมมติว่าเป็นมนุษย์ในตระกูลที่ร่ำรวยในตระกูลที่สูงด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ตนเองก็จเจริญรุ่งเรืองด้วยโภคขยะทรัพย์ยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่มิชอบเบียดเบียน คมเห็งรางแกผู้อื่นนี่แหละที่ว่าอา่ะพแปลว่ายิ่งใหญ่สังขารแปลว่าความปรุงแต่งความปรุงแต่งที่ให้ด้วยผลบุญเนี่ยที่ให้ดูยิ่งใหญ่กว่าผู้อื่นแต่พระเอินหรือโดยจงใจก็แล้วแต่มีบาปอาคุศลพระเล่าปนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด กระเคล้าเข้าไปแล้วก็รู้ผิดคิดผิดเห็นผิดกระทําผิดด้วยอาศัยความยิ่งใหญ่ที่มีเหนือผู้อื่นนั่นประกอบกรรมทําเข็นเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นอีกต่อไปได้อย่างนี้เรียกว่าอาภิสังขารมารหรือแม้แต่บางคนประกอบด้วยทานด้วยศีลเป็นคนมีจิตใจดีงามในเบื้องตน้น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 แต่วิชานั้นยังอยู่ในระดับโลกียะยังไม่ใช่โลกุตระยังไม่ใช่ผลโลกระดับจิตยังไม่ผลโลกวิชาที่มีเหนือผู้อื่นนั้นก็จัดอยู่เป็นวิชาในระดับโลกโลกแต่เหนือผู้อื่น ก, ก็ใช้วิชานั้นแหละประกอบวิชานั้นแหละอันเป็นไปด้วยความโลภบ้างด้วยความโกรธบ้างความหลงบ้างที่ปรากฏขึ้นในใจเพียงชั่วขณะ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 นี่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนชี้ให้เห็นว่า น, นี้เป็นธรรมชาติหนึ่งอีกธรรมชาติหนึ่งเป็นธรรมชาติตรงกันข้ามคือภาค พ, พระภาคพระนี่ท่านก็รู้พระจะมีต่อคําว่าพระสมณะหรือพระเฉยเฉยพระเฉยเฉยแปลว่าผู้ประเสริฐ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 แล้วก็นำพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมาเผยแพร่สั่งสอนแก่พุทธบริษัททั้งหลายที่สอนได้เรียกว่าเวนัยรรสัพพสัตทั้งหลายผู้ประพฤติธปฏิบัติรักษาพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าว้นี้เรากล่าวหมายถึงพระสงฆ์ซึ่งมีตั้งแต่พระสมมติสงฆ์ คือพระสงฆ์ผู้มีศีลแต่มีธรรมแต่ยังไม่ถึงขั้นโลภุตรธรรมไปจนถึงพระอริยสงฆ์ซึ่งได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลแล้วนี่ความเป็นพระก็สูงขึ้นไปตามลาดับอย่างนี้มีตั้งแต่จิตใจของท่านทานหลายเรียกว่าแม่พระบ้างพ่อพระบ้างต่อไปเธออาจจะมี เ, เพื่อนพระก็ได้อย่างนั้น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 ที่เป็นอนิจจังทุกขังอนาศาศาศาอัตตาเช่นราบยศตการะสันเสริญความสุขอย่างชาวโลกเป็นไปด้วยอำนาจของความปรุงแต่งของบุญบุญเข้ามาปรุงแต่งแต่เนื่องด้วยสัตว์โลกทั้งหลายนะั้นมีทั้งบุญและบาปปรุงแต่งสะสมลลคล้าคล้าปนกันอยู่ในตัวบุคคลหรือสัตว์แต่ละตัวตนนั่นเอง เมื่อยามที่บุญตรงผลก็ได้รับความดีความสุขความเจริญแต่ถ้าหมดบุญและบาปให้ผลก็ได้รับผลจากบาปอากุศลเป็นความทุกข์เดือดร้อนเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุปัจจัยนี้แหละที่เรียกว่าอานิจจงเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหา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 อันนี้เป็นธรรมของพระอรหันต์ไม่ยึดเลยมีสักแต่มีเป็นสักแต่เป็นนี่แล้วลงท้ายเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ตัวตนยึดถือไม่ได้ลงท้ายตายจากกันเป็นที่เท่าไปหมดในการทังสิ่งหรือแม้ว่าไม่ถึงเป็นที่เท่ารักกันอยู่ดีดเดี๋ยวพัดรากจากกันไปทะเลาะเบาแวงกันไปต่างคนต่างไปมีใหม่เป็นคนละคนไปแล้ว ดังนี้เป็นต้นนี่ธรรมะฝ่ายขาวแต่อยู่ระดับโลกียะยังต้องตกอยู่ในกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่เรียกว่าสามั ญ, ญลักษณะหรือพระไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนาศาศาัตตาแต่ก็เป็นคุณความดีที่พวกเราชาวโลกโลกแสวงหาและต้องการกันนักก็ยังดีที่ได้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 อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและเชิญชมนิทัรศการพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญอีกมากมายการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาจ้อมนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลใก่ชีวิตพิเศษเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์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 เจริญพร